ขนะุตการนิการอิธิวุตกะนะอัตตกถากรยาณสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อมูสัตว์ผู้มีอาวิชาเป็นที่กางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่มันทราบซึ่งตรงที่ว่ามันท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ยคําว่าอาวิชานะก็ยังอยู่ใน อวิชชาอยู่เลยอวิชชาเป็นเครื่องกลางกางั้นถ้าหากว่าผู้ที่ตรึกพระธรรมบ่อยๆเนี่ยจะเห็นความที่อวิชชาเนี่ยกลางกั้นสติปัญญาจริงๆเลยถ้าเป็นวิชารู้อะไรนะเราต้องต้องถามก่อนว่าถ้าเป็นวิชาเนี่ยรู้อะไรถ้าเป็นวิชาต้องรู้เรื่อง ขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีปฏิจจสมุปบาทรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมถามว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราปรารบวิชาข้อไหนบ้างเออปรารบโดยความเป็นขันมีไหมธาตุอายตนะสัจจะอินทรีปฏิจจสมุปบาทแม้แต่ชื่อยังไม่ทันนึกเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละอวิชาที่มันกางกั้นจริงๆเลยแล้วก็มี ตันหาเป็นเครื่องประกอบเมื่ออวิชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นความจริงเหล่านี้ตันหานี่ยึดทันทีเลยประกอบเข้าทันทีในขณะเห็นขณะได้ยินนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามองชีวิตนะชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปขณะสั้นๆชีวิตที่เป็นไปทางตาชีวิตที่เป็นไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจซึ่งชีวิตของเราเนี่ยก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละทาวารแต่ละทาวาร ในการนึกคิดหรือการรับอารมณ์แต่ละทวารเนี่ยในทวาร น, นั้นๆเนี่ยเรามองเห็นสัจธรรมตรงนั้นไหมถ้ามองไม่เห็นสัจธรรมตรงนั้นเลยเนี่ยนั่นแหละคืออวิชชาผู้ที่มีอวิชชาและก็ถ้าเป็นอวิชชาแบบสมบูรณ์แบบก็คือไม่ได้ใครครวญพระธรรมเลยอย่างน้อยๆที่สุดนะขอให้เราอย่าเป็นอันทะปุตุชนผู้มืดบอดผู้ไม่ได้สดับไม่ได ศึกษาพระธรรมคําสอนเลยในขณะที่เรารับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเราก็สงเคราะห์พระธรรมคําสอนที่เราศึกษาเนี่ยมามาใส่ลงตรงนั้นก่อนใช่ไหมอย่าง น, น้อยที่สุดเหมือนกับผู้ที่อบรมเจริญเรื่องสัมประชัญญะ4ี่ไอถ้าเราขณะเห็นเนี่ยมันจะเป็นสัมประชัญยะ4ี่ข้อไหนได้บ้างเราต้องเห็นอยู่แล้วเอานะอันดับแรกต้องเห็นอยู่แล้ว ถ้าต้องเห็นอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะเห็นยังไงจึงจะเป็นกุศลอ่ะนะนี่เรียกว่าเป็นศาธกะสัมปชัญญะเพราะเพราะยังไงเราต้องเห็นอยู่แล้วเห็นยังไงจึงจะเป็นกุศลต่อไปอีกแล้วในกุศลนั้นๆเนี่ยเราสามารถเจริญได้ต่อเนื่องไหมในเขาเรียกว่าเป็นสปายะแหละหนึ่งนะคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เห็นสองเห็นแล้วอ่ะจะเป็นกุศลได้ข้อไหน แล้วก็เจริญต่กุศลอันนี้เราพ่อพูนต่อไปอีกได้ไหมถ้าพ่อพูนไม่ได้นับใหม่อีกนับหนึ่งใหม่อีกตารลบลักษณะนี้บ่อยๆถ้าเราตาร บ, บ่อยๆขึ้นนะเราคิดหาวิธีการที่จะเจริญกุศลอย่างนี้เป็นศาธกะทีนี้เราจะรู้ทันทีเลยว่ากุศลข้อไหนเหมาะสมกับเจริตของเรานั่นแหละพอเรารู้ความเหมาะสมเป็นต้นสา ม, มารถที่จะบริหารกุศลให้มันต่อเนื่องเขาเรียกว่าโคจะระ กุศลที่ต่อเนื่องนะกุศลต่อเนื่องระดับหนึ่งมันจะวิจัยเรื่องขันท่าอายตนะเป็นต้นไปเลยเพราะฉะมันก็เป็นกระบวนการเพื่อที่จะให้เห็นสัจธรรมแต่ถ้าเราไม่เอาคําสอนเหล่านี้มาปารบมาตรึกก็บอดสมบูรณ์แบบเลยขณะนั้นๆ น, น, นะเพราะขณะที่จิตเป็นอกุศลขณะนั้นก็มีอวิชชากลางกัน้นและถ้าเราไม่ใส่ใจอย่างนี้ปุ๊บตัณหามันทําให้เราประกอบในอารมณ์นั้นทันทีเลยมันใส่ใจว่าเอองามนะถ้าสมมุติเราเป็น ในรูปารมณ์เอองามนะก็เป็นตันหาละออไม่งามไหมไอที่ไม่งามเพราะอะไรเพราะเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่งามก็มีตันหานั่นแหละเป็นปัจใจให้เราคิดว่าเออสิ่งนี้ไม่งามหรือไม่พิจารณาเลยเพราะสะภาพจิตเราก็เป็นไปกับตันหาอาวิชชาตลอดเมื่อเป็นไปกับตันหาอาวิชชาตลอดอย่างนี้สังสารวัตเนี่ยที่สุดอยู่ที่ไหนเออมองเห็นเป็นภาระไหมในขณะที่เราต้องได้ยิน ภาระของการได้ยินภาระแปลว่าพาราฮาเวปันจักขันธาพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเป็นของหนักเดอ้อฮเวเนี่ยแปลว่าเนอร์หรือบัตเดอ้อนะอย่างเงี้ยมันหนักนะหูได้ยินเสียงเนี่ยมันหนักจริงๆแิงเลยถ้าโทรศัด้วยยิ่งหนักใหญ่เลยนั่นนหะเพราะั้นพวกเหล่านี้บุคคลผู้บริหารขันห้าเหล่านี้ทึ่งมันหนักอยู่แล้วเนี่ยถามว่ามันจะทุกข์ขนาดไหน ทีนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านวางขันห้าเหล่านี้เรียบร้อยแล้วถามว่าวางยังไงแล้วก็ต้องไม่ไม่ลืมปริญญาสามนั่นแหละท่านทำปริญญาจนวางได้แล้วแต่ของเราในเบื้องต้นก็เอ๊ะทำยังไงจะเจริญปริญญาข้อไหนได้บ้างในขณะที่หูได้ยินเสียงเอาเอาแค่นี้ก่อนนะเราจะเจริญปริญญาข้อไหนจะเจริญสัมปชัญญะข้อไหนบ้างในขณะที่ได้ยินเสียงท่านตารบ คำถามลักษณะนี้บ่อยๆถามว่าเมื่อเห็นเจริญกุศลข้อไหนได้บ้างเมื่อได้ยินเจริญกุศลได้ข้อไหนได้บ้างถ้าเราต้องนั่งอยู่เนี่ยยังไงต้องนั่งแล้วประมาณสักออสองทุ่มใช่ไหมเลิกฉะนั้นต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละชั่วโมงกว่าเองในชั่วโมงกว่าเนี่ยมันจะคิดอะไรให้เป็นกุศลได้บ้างเออไปที่อื่นเรานั่งรถกลับไปถึงบ้านจากนี้ไปถึงบ้านอ่ะ สามารถเจริญกุศลได้ข้อไหนบ้างเราต้องอยู่ในบ้านจนถึงเช้าเนี่ยตั้งแต่เวลานั้นไปจนถึงเช้าเนี่ยสามารถ <c oughs> ทํากุศลข้อไหนได้บ้าง <c oughs> จากเช้าไปหาสายอีกนิดหนึ่งทํากุศลข้อไหนได้บ้างสายไปทํางานในช่วงที่ขับรถไปถึงที่ทํางานทํากุศลข้อไหนได้บ้างในช่วงทํางานไปจนถึงหมดเวลาเนี่ยทำกุศลข้อไหนได้บ้างจนหมดเวลาถึงเวลาเที่ยงพักเที่ยงทํากุศลในข้อไหนบ้างในขณะเที่ยง เที่ยงไปหาเย็นเย็นมาหาค่ำค่ํามาหาฟังทำอีกรอบหนึ่งทํากุศลข้อไหนได้บ้างคิดหาวิธีการที่จะเจริญกุศลอย่างนี้บ่อยๆถ้าหากว่าเราไม่คิดนะไม่คิดจะหาเจริญกุศลถามว่าสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดเป็นกรรมไหมเป็นคื อ, อยังไงก็เราต้องมีการกระทําทางกายอยู่แล้วทํำยังไงเราจะเปลี่ยนให้การกระทําทางกายของเราให้เป็นกุศลเกิดขึ้น ยังไงเราก็พูดอยู่แล้วก็พูดทั้งวันอะ่ะสมมุติว่าอาตมาก็ต้องคุยกับผู้การธงชัยอยู่แล้วยังไงเอ๊จะคุยยังไงให้มันเป็นกุศลควรจะพูดเรื่องอะไรนะหนึ่งนะลักษณะของของการพิจารณาธรรมะก็คือหนึ่งเบียดเบียนตนไหมสองเบียดเบียนคนอื่นไหมสามเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมอ่านน ะ, ะถามต่อไปอว่าเออแล้วที่ทําทั้งหมดเป็นกุศลหรืออกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เคือ เจตนาของเราทั้งหลายนะยังไงมันต้องมีกาไรเจตนาเกิดขึ้นในชาวนะทุกดวงมีกาไรเลยถามว่ากาไรบุญหรือกาไรบ่าวถ้ายังไงเรามีเจตนาอยู่แล้วถ้าเราอบรมลักษณะนี้บ่อยๆเราสา ม, มารถที่จะเจริญกุศ ล, ลจิตได้อย่างหนาแน่นแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่พิจารณากุศลอย่างนี้ก็เป็นคนหลับพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้คือคนหลับ ถึงเขาเดินยืนนั่งนอนก็ตามแต่ก็หลับเพราะสภาพจิตของเขาหลับจากกุศลแต่ถามว่าเป็นหมันไหมอากุศลเหล่านั้นหมันไหมนะถ้าบาปไม่มีผลถ้ากรรมไม่มีผลนะคําสอนพระพุทธเจ้าผิดแน่นอนนะแต่นี้พระพุทธเจ้าสอนไม่ผิดหรอกกรรมมีผลแน่ที่เราผู้เราทําเนี่ยมีผลถามว่าผลอันนั้นเราอยากได้ไหมถ้าไม่อยากได้ก็ทํายังไงที่จะเจริญกุศล พระผู้มีพระภาคนะทรงแนะนำให้ศาตว์ทั้งหลายเนี่ยเจริญกุศลเหมือนกับบุคคลผู้ถูกศีรษะเนี่ยมีไฟไหม้อยู่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเคยคิดไ้ยว่าเรากำลังถูกไฟไหม้อยู่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายสิ่งทั้งปวงนี้ถูกไฟไหม้แล้วสัพพังทิขเวอาทิตตังสิ่งทั้งปวงนี่ถูกไฟไหม้แล้วอะไรสิ่งทั้งปวงคืออะไรนะ อายตนะ s a b ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสิ่งทั้งปวงรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมอารมณ์ก็คือสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ถูกไฟไหม้แล้วนะถามว่าไฟคืออะไรไฟนี้เป็นชื่อของความร้อนไฟที่เผาไหม้อยู่ก็คือไฟคือราคะมันสภาพจิตนี่ร่าร้อนแน่ในขณะที่รับอารมณ์นั้นๆไฟคือโทสะไฟคือโมหะ แล้วก็ยังไม่พอนะยังมีไฟคือชาติโลภะโทสะโมหะนะมันเป็นก่อมันเป็นตัวก่อให้เกิดชาติต่อไปอันถามว่าชาติเนี่ยร้อนไหมชาติก็เป็นของร้อนชราเนี่ยร้อนไหมชราก็เป็นของร้อนมรณะ أ, พยาธินะความเจ็บป่วยเนี่ยร้อนเนี่ยเนาะทุกขากายญาวิญญาณแล้วก็ต่อไปอีกไฟคือโสกะความเศร้าโศก ปริเทวะความคร่ำครวนความทุกทางกายความทุกทางใจความพลาดพาดจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นของร้อนนั่นแหล ะ, ะเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยพวกเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ตื่นตัวที่จะประกอบกุศลไม่ตื่นตัวที่จะเจริญกุศลเรานั่นแหละคือคนที่คนที่เรียกว่าเสกตัวเองให้มันทุกทรมานต่อไปคนที่ไม่ใช่เสกนะอย่างนี้ทีรักษาบ ใครเป็นคนสาบชีวิตของเรากันแน่หรือใครที่จะเป็นผู้ดนบันดาลชีวิตของเราแน่ก็ความคิดขณะนี้แหละเป็นผู้สาบหรือเป็นผู้บันดาลให้เราเป็นไปเพื่อความสุขพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนะมีโทษยิ่งกว่าคู่ศัตรูคู่อาฆาตอีกมากมายนะักถ้าเรามีจิตตั้งไว้ผิดก็คือไม่ได้ตั้งไว้เป็นไปเพื่อในการประกอบกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ผิดแล้วนะหรือถ้าหากว่า ตั้งไวเพื่อประกอบกุศลแต่เป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อวัตตะก็ชื่อว่าตั้งไว้ผิดอีกเหมือนกันอย่าว่าถึงไม่ตั้งไม่ตั้งให้เป็นกุศลเลยหนึ่งนะถ้าไม่ตั้งจิตเพื่อให้จิตเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็ชื่อว่าตั้งไว้ผิดถึงตั้งให้เป็นกุศลถ้ากุศลอันนั้นเป็นไปเพื่อวัตตะก็ตั้งไว้ผิดอีกถามว่าตั้งไว้ถูกตั้งยังไงก็คือตั้งให้จิตเป็นกุศล แล้วน้อมกุศลเหล่านี้เป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจนะอันนั้นเราตั้งเป้าเลยแ่บเออขณะนี้เนี่ยเราจะเจริญกุศลในข้อไหนบ้างแล้วกุศลที่เราเจริญเนี่ยเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจได้อย่างไรนะเราก็พยายามถามตัวเองบ่อยๆถ้าถามตัวเองบ่อยๆนะเราจะเห็นเห็นอะไรขั้นแรกนะเห็นอวิชชาของตัวเองมากขึ้นค น, นถ้าเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีวิชามากขึ้นต่อไปมันจะเริ่มสแสวงหา ที่พึ่งเราจะเห็นคุณค่าของพระธรรมไม่ไมเนี่ยโหมีมีคนให้หนังสือธรรมะให้พระธรรมให้ยิ้มพระไตรปิฎกอ่านเหมือนกับเขายัดเยียดให้คล้ายๆกับคนที่ไม่มีความสํานึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไข่ยอยู่นะเวลาเขาให้ยามาก็แหมทําไมต้องทํามาให้จริงจังเลยนะเบื่อเหลือกเกินที่จะยัดเยียบยาให้บ่อยเหลือกเกินเนี่ยชักเอียนแน่นะแต่ถ้าหากว่ามีความสํานึกตัวว่าเราคือคนไข้นะถ้าเราไม่กินแล้วเมื่อไหร่จะหาย เราเนี่ยจะไปไปไปบอกเขาเองว่าขอยาหน่อยถามว่าก็กินเหมือนเก่านั่นแหละกับคนไข้นะต้องกินยายัางไงกินยาเม็ดนั้นอยู่แล้วแต่ลักษณะคนเอามาป้อนให้กับขอกินเองเนี่ยการกินอันไหนจะกินอย่างมีความสุขที่สุดขอกินเองเนี่ยมันเต็มใจกินใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นให้กินเอ้มยัดเยียดให้เรานี่ การศึกษาพระธรรมคําคสอนก็เหมือนกันนะถ้าเรามองว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยตกอยู่ในห่วงอวิชชานะเมื่อชีวิตของเราตกอยู่ในห่วงอวิชชาเนี่ยถ้าเราไม่สแสวงหาเกาะไม่สแสวงห า, งหาที่พึ่งแล้วเมื่อไหร่เราจะจะพ้นจากกองทุกเหล่านี้อ่าแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่พิจารณาสังเวกขวัตถุ ก, ก็ไม่เห็นอีกนั่นแหละอันพระองค์จึงสอนว่าถ้าผู้ที่ขาดความเพียรพยายามไม่มีการตื่นตัว ให้พิจารณาวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชแปดประการมีอะไรบ้างอย่างพกกันก็มีชาติชลาพยาธิมลณะอนาคตทุกทุกที่ผ่านมาแล้วแล้วก็โทษของการสแสวงหาอาหารของสัตว์โลกครบไปครบไม่ทราบทุกแนอบาย ก, กันขอบคุณมาก น, น, นะท่านวานภาษาบาลีให้ฟังหน่อยะจะได้เพาะเพาะหน่อนนะ เรีว่าอปัยทุกอย่างทุกในในอบายและก็ทุกที่มีวัตตะในอดีตเป็นมูลทุกที่มีในวัตตะในอนาคตเป็นมูลแล้วก็ทุกในการสแสวงหาอาหารปรียดทิศนะทุกในการสแสวงหาอาหารเป็นมูลอั้นส่วนใหญ่ยุคทุกวันก็ปากท้องนั่นแหละอันไห น, นปัญหาปากท้องนี่แหละมันถึงกับเข็นฆ่ากันก่อกรรมทําชั่วมากมาย ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเหล่านี้ก็มาจากปัญหาปากท้องแล้วก็สิ่งที่เข้าทําเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์บอกว่าเจตนามีผลเมื่อเจตนามีผลวันนี้แหละเราจะศึกษาว่ามันมีผลยังไงผมรู้สึกว่าอาชีพหมอนี่น่าจะมีสังเวคาวัตถุแปดนี่ประจําเลยนะครับอาชีพพระก็เหมือนกันนะียแล้วท่านอยูู่วัดท่านจะเห็นใครเกิดล่ะเอาก็เห็นในคนตายก็พอแล้วนะ พยาธิเงี้ยท่านหมอเห็นโอ้โหทุกวันเลยเห็นฟันผุๆอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าเห็นแล้วเกิดสังเวชสังเวชหรือเปล่าสังเวชนี้ไม่ได้แปลว่าสงสารนะโดยดีนะเรียนธรรมะแล้วเนี่ยสังเวชคืออะไรครับอาจครับก็คือหมายถึงความสลดใจนะเระียกว่าความสลดใจว่าอโอ้เรายังไม่ได้พ้นจากสภาพเช่นนี้นะแต่อย่าลืมนะสังเวชอันนี้เป็นกุศลนะ เป็นกุศลนะอย่าเป็นนึกว่าโอ้โหสลดโพถูอยโอโนั่นเป็นอกุศลนะผู้จ้ามาด้บอกเลยให้เจริญอกุศลสังเวชอันนี้หมายความว่ามีความรู้สึกเห็นตามความเป็นจริงนะสังเวคานี่ได้แก่โอตัปปะประกอบไปด้วยยานสัมปยุทธ<ม>เพื่ออีกสูตรที่เพื่อนสนับสนุนท่านอาจารย์เนี่ยในอักขีสูตรบังเอิญจดมาพอดีนะที่บอกว่าไฟไหม้นะ นี่อยู่ในกุฏกานิการอิติวุตกาณนะครับอักคีคืออักคีนั่นแหละครับอักคีสูตรนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟคือราคะย่อมเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วในกามทั้งหลายส่วนไฟคือโทสะย่อมเผานรชนผู้พยาบาทมีปกติฆ่าสัตว์ส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ลุ่มหลงไม่ฉลาดในอริยธรรม ไฟสามกองนี้ย่อมตามเผาหมูสัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟนี่ไพ่รอดไหมถูกเผาแล้วยังไม่ทันรู้ตัวเลยไม่รู้นะว่ามันเป็นไฟด้วยนะไฟสามก็อันนี้โมหะจริงๆเลยนะครับไฟสามกองนี้ย่อมตามเผาหมูสัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟผู้ยินดียิ่งในกายของตนนี่นี่นะตรงเนี้ยสําคัญมากเลย ทั้งในภพนี้และภพหน้าสัตว์เหล่านั้นย่อมเพิ่มพูนนรกเนี่ยนรกเพิ่มขึ้นนะสสัตว์เพิ่มขึ้นนะกหนัดกาเนิดเดรัจฉานอสุรกายปิติวิสัยเป็นผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมารเรื่องนี้น่าคิดว่าจะมัดคุยกับอาจารย์สักทีมันจนมาแล้วโดยเฉพาะข้อความว่าผู้ยินดียิ่งในกายตน นี่เันเรื่องของส ก, กายะตรงๆเลยนะครับก็คำว่ากายตนเป็นชื่อของขันห้านั่นเองผู้ที่ยินดียิ่งในขันห้านั่นแหละส ก, กายะก็เป็นชื่อของอุปาทานขันห้ามีอะไรบ้างนะขันห้าเอาเอาทางทางกายดีกว่าเอาทางกาย น, นะสมมติถ้าหากว่าถ้าเรากา ม, มือเนี้ยเนี่ยอะไรเป็นขันห้าไหม อันนลองลเอามาความรู้เรื่องนี้มาคิดดูถ้ากรรมมือเนี่ยมีขันห้าไหมมีอะไรหนึ่งขันห้าคือหนึ่งรูปประคันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าวิญญาณขันอันนะเขาบอกว่าถ้าขณะที่กรรมมือขึ้นเป็นรูปประคันอะไรเป็นรูปประคันนั่นเอันนที่บัญญัติว่ามือทั้งหมดนั่นแหละเป็นรูปประคันทีนี้ ในขณะที่กรรมมือนะอาศัยกายก็คือกายกันนี่แล้วก ร, รมขึ้นความกรรมเนี่ยเป็นโพธะะกายกับโพธะะก็เกิดกายวิญญาณวิญญาณตัวนั้นเป็นวิญญาณาขาันเจ็บไหมถ้าต้องดูว่าแน่นหรือเปล่าถ้ากรรมพอดีพอดีไม่เจ็บใช่ไหมไอเวทนาอันั้นเป็นเวทนาขาัน แล้วในขณะนั้นเนี่ยมีเจตนาด้วยมีผัสสะด้วยเป็นสังขารขันนั่นแหละเพราะฉะนั้นในขณะที่กรรมมือนั่นเนี่ยมีขันท่าอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นขนาดกรรมมือยังมีขันท่าเลยกับพิพตามีไหมอะไรบ้างเอากับพิพตานี่ขันท่าเอาทวันเอาเอากายยทวานส่วนใหญ่นี่สนใจแต่จกักกูทวานทีนี้ในขณะที่กับพิพตาก็มีกายกับโพตภะ เวลากรรมเวลากระพริบตาเนี่ยเคยระคายเคืองตามไหมมันฟืดๆนีถ้าฟืดๆนั้นเป็นปฐวีโผฏฐารมนั่นแหละมันระคายเคืองพวกนั้นแหละเป็นกายกับโตภตพภะในขณะที่ระคายเคืองเครืองตัวนั้นเป็นทุกขกายยะวิญญาณนั่นแหละขณะนั้นเป็นทุกขะเวทนาพราะนั้นภาษะ นะกายกับโพตภาภะกายวิญญาณผัสสะในขณะที่กับพิบตาที่ระคายเคืองนั้นเป็นขันห้าทางกายทวาร น, นะขันห้าทางจากักขุทวารก็อย่างหนึ่งขันห้าทางกายทวารก็อย่างหนึ่งในขณะที่กับพิบตาอันหมูสัตว์นี้ยินดีในสิ่งนี้พอใจในสิ่งนี้แต่ที่เรียกว่ายึดติดในกายตน สิ่งเหล่านี้เครียกว่ากายตนก็คือสกายะแต่บางพวกก็เลยเถิดไปเป็นว่าไอ้กายเหล่านี้เป็นตนเป็นทิฐิไปเลยก็มีแต่บางพวกก็ยินดีด้วยอํานาจของตันหาหรือมานะนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ศึกษาพระสัจธรรมให้รู้จริงก็เลยไปด้วยทิฐิซ ส, ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาพระธรรมคําสอนให้เห็นโทษของไอ้ความไม่รู้ ดันั้นธรรมะในพุทธศาสนาเลยเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งแรกก็คือความไม่รู้แสงสว่างถือว่าเป็นศัมมนตรูกับความมืดวิชาเป็นศัตรูกับความโง่หรือความไม่รู้พระพุทธศาสนาก็เป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชาเป็นต้นนั่นแหละศัตรูอันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเล่นงานดับแรกก็คืออวิชาเพราะพระ อ, องค์บอกว่าจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระ อ, องค์ เพื่อที่จะปราบไอความไม่รู้นั่นแหละไอความไม่รู้ตัวนั้นเนี่ยเป็นปัจจยัยให้เกิดเจตนาคิดดูนะถ้าหากว่าในขณะที่เรากับพิบตาเป็นต้นเนี่ยถ้าเราไม่เห็นแจ้งในพระสัจธรรมข้อเหล่านี้นะเข้าสู่เข้าสู่ชาวนะจิตเลยชาวนะตัวนั้นเป็นชาวนะมีเจตนาเกิดร่วมด้วยชาวนะเหล่านั้นที่มีเจตนาประกอบชาวนะนั่นแหละเรียกว่าสังขาร สังขารถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณในภพต่อไปแต่ว่ารูปนามขันธ์หที่มีอยู่ส่วนหนึ่งที่กําลังมีอยู่เนี่ยเพราะอาวิชากับเจตนาในอดีตเป็นปัจจัยให้เป็นลักษณะนี้ถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งก็ก่อภพก่อชาติไปอีกถ้ามันก่อได้เท่าเก่าบันดีนะถ้าก่อว่าเออเกิดมาชาติหน้าถ้าได้ดีขนาดนี้งอนมานุโมทนาด้วย ปัญหาถ้ามันไม่ได้ขนาดนี้ล่หน้ามืดเลยที่จริงเราหัวเราะเราร้องไห้โลภะโทสะทั้งหลายเนี่ยอวิชชาเป็นประตูทั้งนั้นเลยเป็นทั้งสหชาติสหชาตะก็เป็นด้วยเป็นทั้งพูดสัมนวนชาติเรียกว่าสหชาตชาติกับอุปนิสยชาตินั่นแหละคืออุปนิสยชาติก็หมายความว่าตัวเองเนี่ยเคยมีโมหะเคยมีอวิชชานี่ใช่ไหมครับจริญานก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยไม่ได้เห็น สภาวะธรมตามความเป็นจริงจึงได้หัวเราะด้วยร้องไห้ถ้าเราเห็นจริงคงจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่โลภะไม่โทสะแน่นอนไม่โลภะโทสะแต่ก็อาจจะเกิดโสมนัสแปล่งว่าโอ้ยชีวิตของเราเนี่ยบอดมานานวันนี้รู้แจ้งแล้วอาจจะยิ้มอนะส่วนใหญ่นะพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านพอเวลาท่านบรรลุอริยศาสตร์ปั๊บเนี่ยท่านจะโสมนัสยานท่านเกิดขึ้นปาราว่าท่านเนี่ยพ้นแล้วจากกองทุกขเหล่านั้นนั่นแหละก็มี พระอรหันต์บางองค์ก็บอกว่าพ้นแล้วจากไขพ้นแล้วจากคราดเงั้นก็คือวตัตถะสองสารของท่านที่จะไปเป็นชาวนาที่ทุกทรมานเหมือนเก่าไม่มีแล้วหรือพระอรหันต์เทรีบางท่านบอกว่าพ้นแล้วจากสาบพ้นแล้วจากครกคือหมายคําว่าในประวัติของท่านก็คือเป็นสมัยก่อนเนี่ยอยากคิดว่าการไม่มีโรงฝีข้าวอะ่ะใช่ไหมโอ้ยก็ต้องตามข้าวกว่าจะเอามาหงแต่ละหม้อแต่ละหม้อนเนี่ยเหน็ดเหนื่อย ในละท่านก็บอกว่าท่านพ้นแล้วจากสภาพเหล่านั้นซึ่งมันเคยทุกขรารมานานแล้วน่าท่านเกิดโลภทานอาหรอร่อยนะท่านเข้าใจได้ทันทีว่ขนาขณะนั้นเนี่ยมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วมิฉะนั้นนะท่านจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เพลิดเพลินในรสนั้นหรอกหรือว่าท่านกําลังโกรธใครนี่นะโมหะเจตสิกมีร่วมแล้วเพราะจะ <laughs> โมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาเปน็นอากุศลกินน่ะเจตานทีนี้ถ้าพูดถึงอากุศลเนี่ย ปกติเมียกุศลหรือปกติเมียวิชาเป็นเป็นเครื่องกลางกั้นอยู่ตลอดอะ่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะมีวิชาเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะปล่อยหรือผัดวันประการพรุ่งได้เพราะฉะนั้นเรียบเจริญกุศลเทิ